าจะตั้งปัญหาถามก่อนว่าอะไรคือทางให้พบสาระก็ตอบโดยอาศัยพระพุทธภาสิบนี้เป็นหลักว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเห็นถูกอธิบายว่าความเห็นชอบย่อมนำไปสู่การกระทาชอบและพูดชอบตลอดถึงความพยายามชอบมิจฉาทิฏฐิเป็นยอดโทษฉันใดสัมมาทิฏฐิก็เป็นยอดคุณฉันนั้นบุคคลผู้มีสัมมาทิฏฐิประจาใจจึงเหมือนมีกุญแจไขเ ข, เข้าไปในห่วงอันเต็มด้วยสาระ ส่วนคนมีมิจฉาทิฏฐิประจำใจหาเป็นเช่นนั้นไม่มีแต่จะเดินเข้ารกเข้าพงนำชีวิตไปสู่ความล่มจมล่มเหลวเปรียบด้วยเรือสัมมาทิฏฐิก็เป็นหางเสือให้เรือแล่นไปในทางอันถูกต้องหลีกขินโสโครกและอันตรายต่างๆคนเราจะพบสาระหรืออาสาระก็แล้วแต่การเลือกและความเห็นอันถูกรู้ผิดของตนถ้ารู้จักเลือกและมีความเห็นถูกอยู่คู่ใจแล้วย่อมประสบสิ่งอันเป็นสาระจนได้ ดังเรื่องต่อไปนี้เรื่องอาจารย์สัญชัยสัญชัยเป็นคณาจารย์คนหนึ่งบรรดาคณาจารย์มากมายในกรุงราชคฤห์สัญชัยพอใจเป็นนักพรตประเภทปริพาชกดังนั้นบางคราวเราจะได้ยินคำว่าสัญชัยปริพาชกเขาเป็นอาจารย์ของพระสารีบุตรและโมกขลานะในสมัยที่ท่านทั้งสองยังเป็นนมชื่ออุปติสะและโกริตะอยู่ พ อ, อกล่าวเรื่องของท่านทั้งสองเล็กน้อยก่อนเพื่อให้เรื่องเชื่อมกันสนิทในสมัยเป็นคราวาญอุปติษและโกริตะเป็นเพื่อนรักกันและมั่งคั่งโดยกันทั้งสองคนบิดาของอุปติษเป็นผู้ใหญ่บ้านในอุปติสษขามบิดาของโกริตะก็เป็นผู้ใหญ่บ้านในโกริตคามสองตระกูลนี้มีความสัมพันธ์เป็นสหายกันมาเจ็ดชั่วอายุคนแล้วเมื่อเติบโตทั้งสองได้ศึกษาศิลปาศาสตร์อันเป็นทางเลี้ยงชีพ และทางนำมาซึ่งกิจยศชื่อเสียงสำเร็จทุกประการเขาชอบไปดูมหรสศพบนยอดเขาย่อมหัวเราะในที่ควรหัวเราะเศร้าสลดในที่ควรเศร้าสลดและให้รางวัลแก่ผู้แสดงที่ตนชอบใจต่อมาวันหนึ่งอุปติสระมีอาการแปลกไปคือนั่งเฉยเหมือนคิดอะไรอย่างหนึ่งอย่างลึกซึ้งโกริตะจึงถามอุปติสระตอบว่าสายเอย์เาพเจ้าคิดอยู่ว่าคนเหล่านี้ เมื่อถึงร้อยปีก็คงจะต้องตายกันหมดจะเพลิดเพลิอนอะไรกันอยู่เราน่าจะสแสวงหามโมกะธรรมโกริตะรับว่าเขาก็คิดแค่นั้นเหมือนกันและกล่าวว่าเราออกสแสวงหามโมกะธรรมคือทำอันเป็นทางให้พ้นทุกข์กันเถิดแต่การสแสวงหามโมกะธรรมนั้นควรได้บวชในสำนักใดสำนักหนึ่งทั้งสองตกลงกันแล้วพร้อมด้วยบริวารคนละห้าร้อยออกบวชในสำนักของอาจารย์สัญชัย ตั้งแต่ทั้งสองส า, ายบวชแล้วสันชัยก็เป็นผู้เลิศด้วยลาและบริวารล่วงไปเพียงสองสามวันอุปติสสะและโกริษาก็สามารถเรียนจบคำสอนของอาจารย์เมื่อทราบจากอาจารย์สันชัยว่าไม่มีคำสอนอื่นใดอันยิ่งกว่านี้แล้วเขาทั้งสองคิดกันว่าการอยู่ประพฤติพระบัญญัติในสำนักของอาจารย์สันชัยไม่มีประโยชน์อะไรเราทั้งสองออกบวชเพื่อสแสวงหามโมกะธรรมแต่ไม่สามารถพบได้ในสำนักของอาจารย์ผู้นี้ อันชมภูทวีกนี้กว้างใหญ่นะักเราเที่ยวไปในคารมณิคมชนบทราชธานีคงจะได้อาจารย์ผู้แสดงโมกขธรรมเป็นแน่แท้ตั้งแต่นั้นใครผู้ใดที่พูดว่าที่ใดมีสมณพราหมณ์เป็นผู้เป็นบัณฑิตทั้งสองก็ไปทําการสาขัดฉาดกับสมณพราหมณ์นั้นปัญหาที่เขาถามอาจารย์เหล่านั้นไม่อาจแก้ได้แต่เขาสามารถแก้ปัญหาที่อาจารย์เหล่านั้นถามแล้วได้ เขาเที่ยวสอบหาอาจารย์ทั่วชมพูทวีปแต่ไม่ประสบจึงกลับมาสู่สำนักเดิมนัดหมายกันว่าใครได้บรรลุอมัตฐธรรมก่อนขอจงบอกแก่กันระยะนั้นพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จถึงกรุงราชเกลืประทับอยู่ณเวลุวันอันพระราชาพิมพิสารทูลถวายพระสาวกรูปหนึ่งในจำนวนบรรจว ค, คีคือพระอสสิออกบินบัตในกรุงราชกลืในเช้าวันหนึ่ง อุปติสสะบริภกอาหารช้าแล้วก็ออกแต่ช้าเหมือนกันเขาได้เห็นพระอัจิแล้วรำพึงว่านักบวชอย่างนี้เราไม่เคยพบเลยคงจะเป็นรูปหนึ่งรูปใดบรรดาผู้บรรลุแล้วซึ่งพระอรหัตนตผลในโลกฉไหนหนอเราจะเข้าไปสอบถามความสงสัยของเราได้เขากลับคิดว่าเวลานี้ยังไม่ควรก่อนเพราะพระกาลังบิณฑบาตจึงติดตามไปข้างหลังเขาเห็นพระเถระ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 พระอศัศจิตรคิดว่าโดยปกติปริพาชกย่อมเป็นปฏิปากต่อพระพุทธศาสนาเราจะแสดงความลึกซึ้งในพระศาสนาแก่ปริพาชกนี้แต่ได้กล่าวทอมตนก่อนว่าผู้มีอายุข้าพเจ้ามาสู่ธรรมนิยายนี้ไม่นานนักยังเป็นผู้ใหม่อยู่ข้าพเจ้าไม่สามารถแสดงธรรมโดยพิสดารได้ปริพาชกเรียนว่าข้าพเจ้าชื่ออุปติศักข์ขอพระผู้เป็นเจ้าจงกล่าวทำตามสามารถเถิด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 ปริพาชกเรียนว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญขอท่านใดโปรดล่วงหน้าไปก่อนเถิดข้าพเจ้ามีเพื่อนอยู่คนหนึ่งได้ทำสัญญากันไว้ว่าผู้ใดได้บรรลุธรรมก่อนจงบอกกันข้าพเจ้าอยาไปบอกเพื่อนแล้วพากันไปสู่สานักของพระศ า, าสดาขอมอบลงแทบเท้าของพระเถระด้วยเบญจางขัสดิปร ะ, ะทาประทักษิณสามรอบแล้วไปสู่อารามของปริพาชกเพื่อบอกธรรมแก่โกริ t h ผู้สหาย โกริตาเห็นสหายมาสังเกตสีหน้าและอาการแล้วรู้ว่าอุปติสะคงได้บรรลุธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นแน่แท้จึงถามอุปติสะอุปติสะบอกความทุกวงแล้วโกริตะก็ได้สําเร็จโสดาปฏิผลเหมือนกันทั้งสองชวนกันไปเฝ้าพระศาสดาแต่อุปติสะระลึกถึงอาจารย์จึงเข้าไปหาอาจารย์เล่าความทุกวงให้ฟังและชวนอาจารย์ไปเฝ้าพระศาสดา ด, ด้วยแต่สัญชัยไม่ยอมไปอ้างว่าเป็นผู้ใหญ่ชั้นครูบาอาจารย์แล้ว ไม่ควรไปเป็นสิทธิ์ของใครอีกเมื่อสองสหาหขยันขยอหนักเข้าสันชายจึงถามว่าในโลกนี้มีคนโง่ามากหรือคนฉลาดมากสองสหาหยตอบว่ามีคนโง่ามากสันชายจึงสรุปว่าขอให้พวกฉลาดฉลาดไปหาพระสมณะโคดมเถิดส่วนพวกโ ง, ง่จงมาหาเราและอยู่ในสำนักของเราเมื่อเห็นว่าชาชวนอาจารย์ไม่สำเร็จแน่แล้วสองสายก็จากไป สิทธในชนะของสรรชัยได้ตามไปด้วยเป็นจำนวนมากเพื่อหนึ่งว่าอารามนั้นจะว่างลงสรรชัยเห็นดังนั้นเสียใจจนอาเจียนออกมาเป็นเลือดสิทธิ์ของสรรชัย2อง้อยห้าสิบคนคงจะสงสารอาจารย์จึงปรับเสียในระหว่างทางคงติดตามสองสาหายไปสองรอยห้าสิบคนเมื่อเขาทั้งสองถึงเวลุวันนั้นเป็นเวลาที่พระศาสดากําลังแสดงธรรมอยู่ธรรมกลางบริษัททอดพระเนตรเห็นสองสหายกําลังมา จึงตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายสองสหายคืออุปติสะและโกริตะกําลังมาเขาทั้งสองจักเป็นอัครส า, าวกของเราสองสหายถวายบังคมพระศาสดาแล้วทูลขอบรรพชาอุปสมบทพระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตการอุปสมบท ด, ด้วยเอหิพิกุอุอปสัมปทานแล้วพระศาสนาทรงขยายพระธรรมเทศนาพุ่งเอาอุปนิสัยของบริวารแห่งสหายทั้งสองเป็นเกณฑ์เพื่อให้เด็สําเร็จมรรคผลก่อน เมื่อจบเทศนาบริวารทั้งหมด250คนได้สําเร็จรหัตผลส่วนสองสหายยังไม่ได้บรรลุเพราะเหตุไรท่านว่าสาวกบ ร, รมีญานเป็นของใหญ่ต้องมีคุณาลังคารมากมายเหมือนการเสด็จของพระราชาย่อมต้องมีการเตรียมการมากกว่าสามัญชนอนหนึ่งคนมีปัญญามากย่อมต้องไตรตรองมากไม่ได้โปรงใจเชื่อสิ่งใดโดยง่ายต้องใคร่ครวญให้เห็นเหตุเห็นผลด้วยตนเองก่อนแล้วจึงเชื่อ แต่คนพวกนี้พอสําเร็จอะไรแล้วก็ออกประดับด้วยคุณอลังการทุกประการอันเป็นบริวารธรรมแห่งสิ่งอันตนได้สำเร็จนั้นหลังจากบวชแล้วอุปติสะได้นาำใหม่ว่าภาราบุตรบุตรของสารีพรามณีส่วนโกริตะได้น้ำใหม่โมคลานะเพราะเป็นบุตรของโมคลีพามณีพระโมคลานะบวชแล้วเจ็ดวันไปทําความเพียรอยู่ที่บ้านกันละวาละในแวคว้นมคธนั่นเองงกง่วงอยู่ พระาศาสดาทรงแสดงธรรมบรรเทาความห่วงแล้วทรงแสดงธาตุกรรมฐานจนพระโมคคัลลานะได้บรรลุพระอระหันตผลฝ่ายพระสารีบุตรบุดแล้วได้ครึ่งเดือนไปอยู่ที่ถ้ำสุกลาคาตากับพระาศาสดาถ้ำนี้อยู่บนภูเขาคิจกุฎเมื่อพระาศาสดาทรงแสดงธรรมชื่อเวทนาปริขหาสูตรคือสูตรว่าด้วยการกำหนดเวทนาแก่ทีฆะนักขปริภาชกหลานของตนอยู่ ได้รงยาณไปตามกระแสแห่งพระธรรมเทศนาได้บรรลุพระอรหัตผลประดับด้วยคุณาลังการทั้งปวงมีปฏิสามิทาสีและอาปิญญาหกเป็นต้นในเวลาบ่ายวันนั้นเองพระศาสดาทรงประชุมพระสาวกที่พระเวรุวันประธานตำแหน่งอั克拉สาวกแก่วพระสารีบุตรและพระมหาโมคคลานะและทรงแสดงพระปาติโมกพิสูจทั้งหลายติเตียมพระศาสดาว่าทรงประธานตาแหน่งอครสาวกอย่างเห็นแก่หน้า ไม่ยุติธรรมตำแหน่งอัครสาวกควรตกแก่พระปัญจวคีรูปใดรูปหนึ่งมีพระอัญญาโกนธัญญาเป็นต้นหรือมิฉะนั้นก็พวกพระยสศะพวกพัทธวคีสามสิทหรือคณะชนินสามพี่น้องมีอุรุเวลักกสปะเป็นต้นเพราะท่านเหล่านี้บวชก่อนแต่พระศาสดาละเลยภิกษุเหล่านั้นเสียทรงประทานตำแหน่งอัครสาวกแก่ผู้บวชใหม่เพียงสิบห้าวันไม่ควรเลย พระศาสดาทรงทราบเรื่องนั้นแ ล, ล้วตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเราให้ตําแหน่งอัครส า, าวกแกสารีบุตรโมฆลลานะเพราะอัคติเห็นแกนห น, แกน้าก่อหาไม่เราให้ตามมโนปณิธานของเขาทั้งสองอนหนึ่งโกนธัญญะและภิกษุเหล่าอื่นไม่ได้ตั้งความปรารถนาไว้เพื่อความเป็นอัครส า, าวกเมื่อภิกษุทั้งหลายทูลถามจึงตรัสเล่าบุพกรรมและปณิธานของภิกษุนั้น มีของพระอัญญาโกลธัญญะเป็นต้นจนถึงปัิธานของพระสารีบุตรที่ตั้งไว้สมัยเป็นสลทะทาดาบทพิสุทั้งหลายได้ฟังแล้วก็หายข้่องใจเรื่องบุพกรรมและปัิธานของท่านเหล่านี้มีพิสดานพอสมควรในอัตถคถาธรรมบทท่านผู้ปรารถนาโปรดหาอ่านจากที่นั้นเถิดข้าพเจ้าไม่นํามากล่าวในที่นี้เพราะเกรงจะยาวเกินไปรวมความว่าทุกท่านได้ตําแหน่งอันเหมาะสมแก่บุญบา ร, รมีและมโนปัิธานของตน เมื่อพระศาสดาตรัสจบแล้วพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะได้ทูลเล่าเรื่องปัจจุบันของตนตั้งแต่การได้ความสังเวชสลดจิตในการไปดูมหโหรสพบนภูเขาจนถึงได้ฟังธรรมจากพระอัจฉริยและชวนอาจารย์สัญชัยมาฝ้องพระศาสดาแต่อาจารย์สัญชัยหามาไม่เพราะอ้างว่าเคยเป็นอาจารย์ของคนเป็นอันมากแล้วไม่สามารถเป็นศิษย์ของใครได้อีกพระศาสดาทรงสดับเรื่องนั้นแล้วจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย สัญชัยถือสิ่งอันไม่มีสาระว่ามีสาระถือสิ่งอันมีสาระว่าไม่มีสาระเพราะเป็นมิจฉาทิฐิส่วนเธอทั้งสองรู้จักสิ่งที่เป็นสาระว่าเป็นสาระสิ่งไม่เป็นสาระว่าไม่เป็นสาระเพราะเธอเป็นบัณฑิตละทิ้งสิ่งอันไม่เป็นสาระถือเอาเฉพาะสิ่งที่เป็นสาระดังนี้แล้วตรัสพระพุทธภาสิตซึ่งยกขึ้นกล่าวไว้แล้วแต่เบื้องต้นนั่นแล